ต่อเนี้ไปตั้งใจฟังหลวงพ่ออินจะพูดอะไรให้ฟังและก็คงจะไม่นานพอพูดให้ฟังสักเล็กน้อยแล้วพระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พรพร้อมกันก็เป็นการเสร็จพิธีในวันนี้วันนี้เป็นวันคงความสลดสังเวทใจวันหนึ่งคือวันครอบรอบท่านพระอาจารย์เติม ที่เป็นเจ้าวาดวัดป่านาเองของเราแห่งนี้ท่านได้มรณภาพเมื่อร้อยวันให้หลังวันนี้เป็นวันครบร้อยวันแต่ตามไม่จริงลูกพ่อเองก็ได้ถามพระถวครบร้อยวันจริงไหมวันนี้พระก็บอกว่ายังไม่ครบดีคงจะเป็นวันที่ย0สิบกว่าจึงจะครบร้อยวันแต่ว่าวันนี้ วันที่12สิงหาครูบาอาจารย์ที่รู้จักมักคุ้นกับท่านพระอาจารย์เติมจะได้มากับพระวองค์หลวงตาก็ถือโอกาสนี้นิมนต์ครูบาอาจารย์เข้ามาร่วมในงานของท่านพระอาจารย์เติมหลวงพ่อเองฟังแล้วก็เออเห็นด้วยเพราะว่าจะนิมนต์ครูบาอาจารย์อย่างนี้ ที่รู้จักมักคุนอย่างนี้ที่จะมาพร้อมกันอย่างนี้หาได้ยากเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่ไกลในเมื่อได้ถือโอกาสมากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาของเราแล้วก็ถือโอกาสนี้ในมาพบื่องมาร่วมงานของท่านพระอาจารย์เติมที่ท่านมรณภาพเมื่อร้อยวันให้หลังท่านเติมเป็น ชาวจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เคยมาบวชมาบวชกับท่านพระอาจารย์บุญทันวัดเขาเจริญธรรมที่หลวงปู่บุญทันเป็นที่รู้จักกันดีก็คือหลวงปู่บุญทันอไอสกีมพวกเราคงจะรู้นะถ้าว่าไอสกีมท่านทํามาตลอดเลยงานไหนตัวงานไหนงานนี้ก็คงจะมีกำลังหลวงพ่อบุญทันอ หลวงพ่อพุนทานกัท่านอยู่ทางเพชรบูรณ์วัดเขาเจริญธรรมท่านก็มาจำพรรษากับวัดหลวงตามหาบัวอยู่หลายปีได้ร่วมจำพรรษากับหลวงพ่อที่วัดฝาบัานตาดแต่ส่วนพระอาจารย์เติมเนี่ยหลวงพ่อไปอยู่นาคําน้อยท่านก็ได้ไปจำพรรษากับหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็จาไม่ได้ว่าท่านจำพรรษากี่ปีและท่านก็ได้ไปจำพรรษาปันเพิ่มอีก ปีจำพรรษาบัณฑเพิ่มปี2530หลวงพ่อสร้างสราเสร็จแล้วก็ขึ้นไปจําพรรษาที่บัณฑเพิ่มและก็ได้เอาท่านเติมขึ้นไปด้วยได้ไปจําพรรษาที่บัณฑเพิ่มอีกปีหนึ่งจากนั้นท่านก็ได้ขอลาหลวงพ่อเข้ามาอยู่กับองค์หลวงตาวัดป่าบันตาดก็เป็นเวลาหลายปีจากนั้นท่านก็ได้มาจําพรรษาที่พัฒนาแองแห่งนี้พอหลวงตาได้รับที่แห่งนี้ จากคณะสัาญญาตยาธิโยมแต่ันท่านเติมก็ได้มาสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเป็นวัดวาศาสนาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นท่านเติมก็เป็นผู้มีอุตสาหะวิริยะเป็นพระที่ตั้งอกตั้งใจองค์หนึ่งหาได้ยากตถ้าดูดูแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะท่านเติมเป็นพระหนุ่มแต่เป็นผู้หมั่นขยันองค์หนึ่งสร้างวัดไม่กี่ปี ท่านก็ทําได้ถึงขนาดนี้แต่ส่วนภูมิภูมิธรรมของท่านจะได้มากน้อยแค่ไหนหก็ไม่มีใครที่จะรู้ท่านอาจจะได้สําเร็จมรรคผลของท่านก็ไม่มีใครรู้อีกเช่นเดียวกันแต่ภายนอกที่ท่านแสดงออกเรื่องศีราจรวัตของท่านเ ป, ป็นที่ยอมรับของหมู่พวกเพื่อนเพราะท่านเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่กับองค์หลวงตาหลายปีจากนั้นก็ได้มาอยู่ที่นี่ หมูพกเพื่อนก็นรู้จักมักคุนทั่วหน้ากันเป็นที่ยอมรับถือว่าเป็นหมูเป็นเพื่อนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นวันนี้พอนิมนต์ครูบาอาจารย์มาพระหมูพกเพื่อนก็เต็มเพลียาลาไปหมดอันนี้นับว่าท่านคง ม, มีน้ําใจกับหมูกับเพื่อนมาก่อนเก่าแล้วอันนี้ก็งานนี้เป็นงาน โปร่งทำสรดสังเวชคือมรณะภัยไม่เลือกใครทั้งหมดไม่เลือกว่าพระไม่เลือกว่ายมไม่เลือกว่าผู้น้อยผู้หนุ่มไม่เลือกว่าพระผู้เท่าผู้แก่ไม่เลือกว่าพระผู้หนุ่มตามไม่จริงอายุของท่านก็เพียง40บกว่าปีมั่งท่านก็ได้จากไปก็น่าเสียดายแต่ท่านถึงยังไงท่านเอาชีวิตมาเพียงเท่านั้นแต่ในชาต อดีตชาติของท่านท่านอาจจะเคยเบียดเบียนลังแกสัตว์ท่านจึงมีอายุไม่ยืนยาวเท่าที่จะยืนยาวถ้าจะว่าไปแล้วคือขาดทุนชีวิตขาดทุนชีวิตคืออะไรยุคนี้สมัยนี้ในครั้งพุทธกาลว่าร้อปีเป็นอายุไขเดี๋ยวนี้อายุของคน75ปีเป็นอายุไขแต่ท่านเติมไม่ถึงอายุไขท่านก็ได้จากไปก่อน แต่ถ้าหากว่าท่านเป็นผู้เปรียมไปด้วยคุณธรรมถึงจะจากไปเวลาไหนก็ไม่มีปัญหาเพออราะเหตุทิ้งภาชนะดินไปรับภาชนะทองคำแต่ท่านจะถึงขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ท่านเองเป็นคนรู้ในตัวของท่านแต่ถึงยังไงก็ตาม ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ากล่าวย้ำเตือนให้พวกเราท่านทั้งหลายท่านว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นน้อยหนุ่มก็ตายากลางก็ตายเท่าแก่ชราตายหมดไม่มีใครที่จะอยู่ค้ำฟ้าอยู่ชั่วฟ้าดินสลายไปได้เพราะนั้นพระพุทธองค์จึงได้กล่าวย้ำเตือนพวกเราท่านทั้งหลายว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาท จนวรรคสุดท้ายของพระพุทธองค์ท่านสั่งเสียเป็นวาจาสุดท้ายของท่านอีกว่าไยยะวยธรรมมาสัาง้งฆาราอัปปามาเดนะซัมปาเดทัติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเนะ้อให้ท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทตจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิด พระพุทธองค์สั่งเสียจากนั้นก็ทําการปรินิพานไม่พูดอะไรอีกเลยอันนี้ถือว่าเป็นวาจาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าสั่งเสียพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหางว่าพวกเราท่านทั้งหลายได้นําคําสอนของพระพุทธเจ้าและคําคสั่งคํานี้มาคิดมาพิจารณาไรตรตรองเมื่อไหร่ซึ้งในจิตใจเพราะเหตุใดพระพุทธองค์สั่งออกมาจากพระไทย อันบริสุทธิ์ของพระ อ, องค์สั่งสอนพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพุทธบริษัทสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจริงรังสังขารไม่ของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ตนค่อย่าให้ขาดตกบกพร่องทําหน้าที่การงานภายนอกออทํามาหาเลี้ยงชีพจะให้ขาดตกบกพร่อง แต่ส่วนทางด้านจิตใจทาสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์สั่งสมคุณงามความดีในส่วนตัวอย่าให้ขัดข้องอย่าให้กาดตกบกพร่องแต่เมื่อองตัวเองพอสมบูรณ์บริบูรณ์พอสมควรแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นแนะนำคนอื่นสงเคราะห์อนุเคราะห์คนอื่นด้วยเพราะเราอยู่ด้วยกันอันนี้คือคําสั่งของพระพุทธเจ้าท่านมีเมตตาท่านเป็นธรรม เพราะนั้นขอให้พวกเรายึดแนวแถวของพระพุทธเจ้านำมาประพฤติปฏิบัติสำหรับพระนเนนพระทั้งหลายทั้งปวงที่มานั่งอยู่นี่หลวงพ่อเห็นแล้วก็อบอุ่นอย่างวันนี้หรือวันแรมแปดค่าที่หลวงพ่อเองได้เห็นที่วัดป๋าบัานตาดพอเห็นแล้วก็หมู่พวกเพื่อนทั้งหลายไม่ต่ำกว่าสามพันกว่าหลวงพ่อว่านะเพราะเต็มศาลาใหญ่ แต่วันนี้ไม่มากถึงวันนั้นแต่ถึงยังไงสองพกว่านี่ถึงแน่ๆว่าการแต่ในความรู้สึกของหลวงพ่อนะล้วนแล้วแต่ผู้ตั้งอกตั้งใจมาเพื่อกากรพระวะองค์หลวงตาล้วนแล้วแต่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองหลวงตาเองท่านก็บอกพวกเราท่านทั้งหลายบอกทั้งผมบอกทุกองนั่นแหละไม่ว่าใคร ให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ให้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเน้เอหลวงตาท่านสอนถ้าอันไหนเป็นธรรมเป็นวันไดให้ยึดแนวแถวนั้นเมื่อพวกเราเป็นพระเป็นที่เหมือนกับช้างเท้าหน้าชัดทายญาติโยมเหมือนกับช้างเท้าหลังถ้าว่าช้างเท้าหน้าไม่เอาฐานไม่เอาไหน ขาดตกวกห้องในหลักพระธรรมวินยัยแปลว่าช้างเท้าหน้าเท้าขาดพระศาสนากับเจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้แต่ถ้าหากว่าช้างเท้าหลังไม่ให้การสนับสนุนพระสงฆ์พระสงฆ์ไปอยู่เป็นไปไม่ได้เพราะคณะสัตธาญาติโยมไม่ให้การสนับสนุนคือช้างเท้าหลังไม่เดินไปตามมันต้องอาศัยไปด้วยกันทั้งช้างเท้าหน้าและเท้าหลังคือคณะสัตธาญาติโยมและกับพระสงฆ์ต้องไปด้วยกัน เพรนั้นขอให้พระสงก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยขอ พ, พวกเราเป็นสาสกยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าสาสกยบุตรพุทธชินนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพวกเราทําไม่อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยแปลว่าลูกเหยอนอกทรอกลูกไปอยู่ในโอวาทของพ่อของแม่เพราะนั้นไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าพวกเราท่านทั้งหลาย อันนี้ผมขอเตือนพวกเราท่านทั้งหลายเตือนทั้งผมด้วยไม่ใช่ว่าเตือนแต่เฉพาะมูถ้าหากว่าพวกเราไมา่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยแล้วศาสนาของพระพุทธองค์จะอยู่ได้อย่างไรพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตรัฐกฏก็ยังอยู่ตราบนั้นแต่ถ้าหากว่าพระที่ทรงศีลอยังมีอยู่ตราบใดพระพุทธศาสนาก็ยังอยู่ตราบนั้นเพราะนั้นศีลและวินัยเป็นเบื้องต้น จะลำรงทรงฆ์ศาสนาไว้ให้นานเท่านานแต่ทุกวันนี้พวกเราก็ได้ยินตามสื่อต่างๆบางสิ่งสิ่งที่สิ่งที่ไม่เกิดก็เกิดขึ้นมาได้แต่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันเสียหายเสียหายใครเสียหายวงการพระพุทธศาสนาขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านน้องนุ่งทางหลายครูบาอาจารย์ทางหลา ย, าา ท, าลายที่ติร่วมกันนี่แหละนานๆพวกเราจะได้ กล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันที่กล่าวตักเตือนทางนี้ท้งนั้นไม่ใช่กล่าวตักเตือนเฉพาะหมูนะผมเองผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดอย่าให้ขาดตัวปกพ่องสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ควรจะคิดไม่ควรพูดและไม่ควรทําะนี่แหละอันนี้ก็ขอบอกกล่าวให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยแล้วพร้อมกันใข้ตังอกตั้งใจประพฤติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่องค์ลูกตาของเรานะเป็นหลัก เดี๋ยวนี้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพวกเราได้ยินทุกแห่งผลเวลากลางคืนธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยผมว่าอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเปิดฟังเวลาสองทุ่มไปถึงตีห้เป็นธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งมากเป็นหนทางในแก้กิเลสโดยตรงเลยธรรมเทศนาที่ผมเองเข้าไปศึกษาอยู่เป็นเวลา13ปีอยู่กบนนับองค์หลวงตาปี2 5 1 2ันหถึงห้า ผมอยู่โดยตลอดนี่ผมก็ได้ฟังธรรมเทศนาชุดนี้แหละที่ท่านปัญญาวุฒโภเป็นคนอัดจากนั้นก็ได้มาอัดแล้วก็มาเทศทุกวันนี้เป็นล้วนแล้วจะเป็นธรรมะที่นํามาประพฤติปฏิบัติเป็นรูปธปรรมได้แก้กิเลสได้ลุงตาท่านเอาอย่างไงชําระอย่างไรกับตัวของท่านเองอันนี้ก็อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองเน่าฟังฟังดูธรรมเทศนาของลุงตากลางคืน ผมว่ามีคุณมีประโยชน์มากการฟังเทศนะอยากจะให้นั่งฟังดีๆนั่งขัดสมาธิแล้วก็ฟังพอฟังกัรหนึ่งจบแล้วให้ดับเครื่องไม่ต้องฟังต่อแล้วก็ภาวนาต่อไปอีกอย่าไปนอนฟังถ้านอนฟังแล้วโดยมากมันจะดื้อด้านมันจะไม่มีขอบมีเขตบวกพอนอนฟังแล้วก็หลับไปต่อมากับนอนฟังอีกก็หลับไปก็เลยเป็นจิตใจที่ดื้อด้านเป็นจิตใจที่ด้านเมื่อกัรดินด้านอย่างนั้นแหละศาสตร์น้ําไม่ลง เทน้ํำไม่เข้าทีนี่เพราะใจมันด้านนี้ก็เหมือนกันนะแหละถ้าว่าเราตั้งอกตั้งใจฟังผมว่าจะเกิดประโยชน์อย่างมากสุดตรมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตรมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ฟังและจินตนาไขา้ควรทบทวนในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบให้เน่งซะก่อนนํามาพิจารณาไรตรตรองเหตุและผล อันนี้คือปัญญาของพระพุทธศาสนาเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าภาวนามยปัญญาส่วนสุดตมยปัญญากับจินตามยปัญญานั้นเป็นปัญญาทางโลกแต่ปัญญาทางธรรมเลยคือภาวนามยปัญญาทําจิตใจให้สงบซะก่อนและจึงนํามาพิจารณาไตรตองเหตุและผลนี่ผมว่าอยากจะให้หมูพวกเพื่อนฟังฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง สิงใดที่เกิดได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบันเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังจะได้รับความผ่องใสสติปัญญาพวกเราจะเกิดเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังไม่ใช่ว่าโพโลเพลงขึ้นมาแล้วจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้อย่างนั้นเป็นไปไม่ได้น ะ, ะต้องอาศัยการศึกษา ศึกษาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังถูกแถวถู ก, ถกแนวแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติเ mm. มื่อลงมือประพฤติปฏิบัติก็จะได้รับมรรครับผลอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนแต่สําหรับฆราวาสญาติโยมอย่างที่หลวงตาได้สอนเมื่อเช้าเนี่ยในที่ท่านเทศตอนบ่ายฟังดูแล้วกระจับใจได้เพราะว่าท่านว่าคณะศรัทธาญาตโยมอย่าลืมเน้อลืมตัวเนอ ให้ทําบุญทําทานให้ศักบาทใจบาทพระสงฆ์พระสงฆ์งเป็นผู้อยู่เบื้องในอยู่ข้างในเป็นผู้ดํารงทรงศาสนาเป็นผู้รักษา พ, พระธรรมวินัยคณะสัทยาญาติโยมก็ทําบุญทําทานคนไม่ได้ทําบุญทําทานจิตใจมันเหี่ยวแห้งอับเฉาบุญกุศลจะไม่เกิดถ้าว่าพวกเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลถ้าคนทําบุญสัมกุศลแล้ว เกิดพบได้ชาติได้ก็จะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากทํากิจการงานอะไรก็คล่องแคล่วจะเจริญรุ่งเรืองได้ทั้งนั้นเพราะบุญกุศลเป็นเครื่องเครื้อกูลนุ น, นแต่ถ้าว่าคนไม่มีบุญทําอะไรก็ตกต ก, ตกลลหล่นหล่นเพราะฉนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเนะอะเมื่อวานมิเช้าเนี่ยอง์หลวงตาท่านก็ได้ให้โอโหสิแก่ลูกหลานหลายแนวสรุปแล้วก็คือท่านสั่งสอน พวกเราอยากจะให้พวกเราเป็นลูกหลานที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีนะแล้วก็พร้อมกันในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้พระธรรมในวันเดือนหกเพลนท่านทำยังไงท่านนั่งภาวนา นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละกรรมาฐานของพระพุทธเจา้าพวกเราจะไปหลงทิศหลงทางคนนั่นไหวจุกนอพ้องน้องเออใช่กระทูแต่ว่ากรรมาฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ให้พวกเราฟังเอาไว้จากนั้นจิตของพระองค์เข้าสู่ความสง บ, บจิตรวมลงเป็นหนึ่งจากนั้นจิตรวมเป็นหนึ่งแล้ว เกิดญาณทัศนะเกิดฌานมีสมาธิคือเกิดฌานญาณทัศนะพอเกิดญาณทัศนะแล้วพระองค์น้อมจิตของพระองค์ระลึกชาติผลหลังเนี่ยนี่แหละปุเพในวาสานุสติญาระลึกชาติผลหลังได้คือในปฐมมยามพวกเราที่เป็นพุทธบริษัททั้งหลายให้ฟังเอาไว้ว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วตายแล้วไม่สูญบาปบุญกนะุลโทษนรกสวรรค์มีจริงชาติที่แล้วมี ชาติหน้ามีเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลา ย, ย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้พอถึงเที่ยงคืนพระองค์นั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบนิ่งลงไปอีกท่านได้ฌานชานะ้าวัตตูปปาตยานการจุดติของสรรพสัตว์ทั้งหลายคือออกมาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากนี่หร้อจะไปไหนไปด้วยเหตุอะไรมามาเกิดที่นี่มาด้วยเหตุอะไร มาด้วยบาปกรรมอันไหนมาด้วยบุญกุศลอะไรพระพุทธองค์ก็รู้อีกเหมือนกันเพราะนั้นบาปบุญคุณโทษมีจริงขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่ว่านั่นนะให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้เก็บหอบรอมริตทีละน้อยละน้อยอ ย, อย่างวันนี้พวกเรา็มาสั่งสมบุญเหมือนกับหายพาชนะฝนตกลงมาจากอากาศพวกเราได้รับทีละหยด2งหยดมากบางน้อยบาง ผลสี่สุดก็เต็มขึ้นเรื่อยๆอีกสักวันหนึ่งต่อไปทําให้พ้นทุกในวัฏสงสารในชาตินี้ก็ชาติต่อไปบุญบา ร, รมีของเราก็จะเต็มตื่นขึ้นเรื่อยๆผลที่สุก็ได้สําเร็จมักสําเร็จผลอย่างที่พระทหันสาวกในครั้งพุทธกาลเพราะฉะนั้นขอให้พวกคณะเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นนะะ ขยาวยะธรรมมาสร้างค่ารา้านอ ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเนอขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะการเทศนาหรือว่าการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติในการพูดเพียงตนนี้ด้วยอํานาจคุณพระศีรัตน์ใจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบ แต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอให้สมหวังดังปราถนาทุกประการเทิน